ตั้งไว้ในพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณหาความรู้ความเข้าใจในคุณของพระตัตนตรยัยให้เยี่ยมที่สุดการตั้งสรจิตเอาไว้ในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนั่นแหละเรียกว่าสารณนะแล้วที่เหลือพระพุทธเจ้าบอกเราหมดเองถ้าตั้งจิตไว้ในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกเราเองว่าเราจะค่อยๆคิดต่อไปพระพุทธเจ้าคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรพระพุทธคุณเป็นอย่างไร พระพุทธคุณเนี่ยเป็นผลแล้วเหตุที่จะทําให้มาได้รับพระพุทธคุณเนี่ยคืออะไรพระพุทธคุณเนี่ยเป็นเหตุเมื่อพุทธคุณเป็นเหตุผลของพุทธคุณนี่คืออะไรก็คือพระธรรมคุณแล้วผู้ที่พระธรรมคุณเนี่ยเป็นผลของพระพุทธคุณและพระธรรมคุณก็เป็นเหตุของพระสังฆคุณและพระสังฆคุณได้รับผลจากพระธรรมคุณอย่างไรและพระสังฆคุณทั้งหลายมีผลต่อพระธรรมคุณ อย่างไรก็คือเหตุกับผลเหตุกับผลเราก็จะเข้าใจพูณไปเรื่อยๆความเข้าใจที่แบ่งแยกจำเนกต่างๆได้ความเข้าใจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าก็ค่อยเพิ่มพูนพอกพูนความเข้าใจอันนั้นให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าอย่าลืมว่าพระรัตนตรายนั้นทุกอย่างของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะนะคำว่าสงฆ์ในที่นี้ไม่ใช่บุคคลนะ หมายถึงว่าผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิมีพระโสดาบันเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เกิดมาเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพราะอะไรเพราะท่านได้รับประโยชน์ของตัวท่านเองถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ถึงที่สุดของพระองค์แล้วที่เหลือมีแต่กรุณาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติชอบก็เพื่อเป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะเรียกว่าปุญญกเขตังโลกสาติดํารงอยู่เพื่อให้ชาวโลกเจริญด้วยบุญ เจริญด้วยบุญมีบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาตามที่ท่านแนะแนวให้มันคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องอินทรีย์ที่เหลื อ, อยังไงต้องเจริญถ้าผู้ที่มีศรัทธาโพธิปัจจะธรรมที่เหลือก็จะเจริญอย่างเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์พระองค์จึงยืนยันว่าบุคคลข้ามโอคะด้วยศรัทธาโดยเฉพาะข้ามที่โถคะเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะด้วยศรัทธา เพราะถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะข้ามจากวังวนแห่งมิจฉาทิตฐิได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยพระพุทธเจ้าเราไม่รู้รอกว่าอะไรผิดและอะไรถูกมันความผิดความถูกอะไรเป็นตัวสอบเออเนี่ยคุณพูดแบบเนี้ยคุณพูดผิดเอาคุณคิดแบบเนี้ยคุณคิดผิดอ่ะแล้วใครให้คะแนนล่ะแล้วคนให้คะแนนแล้วใครมาให้คะแนนคนให้คะแนนอีกทีนึงอ่ น่าอะไรเป็นตัวทับรองวันนี้ผิดแต่พรุ่งนี้ดันถูกไปอีกแล้ววันนี้บอกว่าถูกพรุ่งนี้บอกใช้ไม่ได้พลาดหมดเลยเนี่ยนะมันก็ผิดกับถูกมันก็อยู่ใกล้กันในนี้มาตรฐานแห่งความผิดถูกผิดชอบชั่วดีถูกต้อง อ, อยู่ที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้านี่บอกได้เลยตัวในครั้งนะั้นสัมมัตตนิยตาธรรมามิจฉัตตนิยตาธรรมาอะไรก็ตามที่มันจบลงที่มิจฉตนิยตาธรรมามันผิดหมดแหละ มิจฉัตัญญาตาธรรมามันเป็นความผิดทางทัศนคติเช so ่นทิฏฐิวิบัติในที่สุดทิฏฐิวิบัติโดยสิ้นเชิงศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติทั้งหลายนั่นแหละเป็นมิจฉัตัญญาตาธรรมาถ้าศีลสมบัติทิฏฐิสมบัติเนี่ยนะก็คือสัมมตัญญาตาธรรมาคืออริยมรรคถ้ามันจบลงที่อริยมรรคบริบูรณ์นั่นแหละเป็นความถูกต้องถ้าจบลงที่พลาดจากอริยมรรคก็แปลว่าผิดพลาดถ้าตรงกันข้ามกับมรรคก็แปลว่า ผิดพลาดนั้นพระองค์นี่บอกว่าวิธีตรวจสอบนี่เป็นอย่างนี้นี้เป็นธรรมนี้เป็นธรรมคําว่าเป็นธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่นําออกจากทุกจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็บอกชี้แจงว่านี้เป็นธรรมธรรมเป็นอย่างนี้นะถ้าเข้าถึงธรรมอันนี้แล้วธรรมมาจากคําธารรมะเนี่ยนะทอทงกรรเรือธรรมะแปลว่ารักษาเอาไว้ทรงเอาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายทุกคติวินิบาดนรกเป็นต้น ไม่ให้ตกไม่ให้ไหลไปในสังสารทุกข์นั่นแหละคือธรรมะแปล ว, ว่าส่งไว้พันนั่นคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พยายามที่จะบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เหล่านั้นนั่นเองเนี่ยนะแต่ถ้าตรงกันข้ามละ่ะถ้าไม่รักษาเอาไว้ก็เป็นอธรรมธรรมและอธรรมจะมีผลเสมอกันก็หาไม่เนี่ยนะธรรมอธรรมย่อมนําไปสู่นรกธรรมย่อมนําไปสู่ สุขคติเนี่ยนะมันก็ผลก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะความผิดชอบชั่วดีผิดหรือถูกพระองค์เอาอนาคตเป็นตัวประมาณถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อข้ามพ้นโสชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาสนั่นถูกต้องถ้าสิ่งใดถ้านําไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาสผิดพลาดแน่นอนอ น, นะ พระองค์บอกไว้ในสังยตานิกายนิทานนวัตปฏิปทาสูตรว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวมิจฉาปฏิปทาก็คืออะไรก็อวิชาเป็นปจัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเป็นต้นเนี่ยนะนั้นสรุปว่าอาวิชาเป็นหัวขบวนไม่รู้แปดประการ เป็นปัจจัยนำมาซึ่งสังขารทั้งบุญก็ตามปุญญาก็ตามอปุญญาก็ตามอเ น, นชชาีิสังขารก็ตามอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันจบลงที่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมณัตและอุปายาททั้งมวลนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิวัติที่ผิดและพลาดแล้วสัมมาปฏิปทาเป็นไนะเพราะสํารอกอวิชาทั้งมวลได้โดยไม่มีส่วนเหลือ ข้อปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อชำระอวิชชากำจัดอวิชชาทั้งหมดได้โดยไม่มีส่วนเหลือเมื่ออวิชชาดับนะหรือดับอวิชชาได้อวิชชาสมัยใหม่เขานิยมแปลว่าเพราะอาวิชชาดับจริงๆที่แปลถูกต้องต้องบอกเพราะดับอวิชชาได้เพราะอาวิชามันก็เกิดดับโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแหะมันไม่เที่ยงหรอก เพราะอวิชามก็เ <uhhh> ก <like S 1> ิดร really <tried> ่วมกับจิตจิตเที่ยงไม่ล่ะถ้าจิตไม่เที่ยงอวิชาก็ไม่เที่ยงไปด้วยนั่นแหละแต่เพราะดับอวิชาได้เพิกอวิชาได้ขุดรากถอนโคนอวิชาได้ด้วยอรหัตตมักนั่นแหละอวิชามก็เลยถูกดับไปหรือว่าดับอวิชาได้เสร็จสิ้นถ้าดับอวิชาเสร็จแล้วก็เป็นอันดับสังขารได้ถ้าดับสังขารได้ก็เป็นอันดับวิญญาณได้ถ้าดับวิญญาณได้ก็เป็นอันดับนามรูปได้ถ้าดับนามรูปได้ก็เป็นอันดับ สลายตนะได้ถ้าดับสลายยตนาได้ก็เป็นอันดับภัสสะได้ถ้าดับภัสสะได้ก็ดับเวทนาได้ถ้าดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้ถ้าดับตัณหาได้ก็ดับอุปาทานได้ถ้าดับอุปาทานสาเร็จดับภพได้เรียบร้อยหมดอนกายกรรมก็กลายเป็นกิริยาวจีกรรมก็กลายเป็นกิริยาโนกกรรมก็กลายเป็นกิริยากรรมที่เคยทำมาแล้วจักไม่ให้ผลใน ปัจจุบันและจากไม่ให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติไม่สามารถให้ผลนำเกิดต่อไปกรรมที่หลังจากที่อรหัตตระเกิดแล้วกลายเป็นกิริยาไรสภาพสิ้นเชิงแปลว่าไม่เป็นกรรมมะปัจจัยที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตจะไม่ใช่นานัคนีกกรรมมะปัจจัยมันอริยมรรจึงเป็นตัวทาลายกรรมเป็นตัวถอนกระแสกรรมเพราะถอนรากที่กรรมจะให้ผลได้อย่าง สิ้นเชิงแล้วเนี่ยนะพันธ์ก็จบลงที่ดับชาติชราและมรณะพรนธ์การวิเคราะห์แบบพระพุทธเจ้าจึงแยกแยกออกว่าอะไรเป็นมิจฉาปฏิปทาอะไรเป็นสัมมาปฏิปทาอะไรเป็นความผิดอะไรเป็นความถูกอะไรเป็นความชอบชั่วดีเพราะพระพุทธเจ้ามองชีวิตไม่ได้มองแค่ขณะจิตเดียวเนี่ยนะพระองค์มองเป็นกระแสรกระแสแห่งอายตนะกระแสตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสแห่งชาติชรามรณะกระแสแห่ง สังสารวัตทั้งหลายเนี่ยนะจนพระองค์บอกได้เลยว่าอะไรเป็นอนุโสตะคามีอะไรเป็นปฏิโสตะคามีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกระแสวะะัฏะอะไรที่เป็นการทวนกระแสของวะะัฏะอะไรเป็นข้ามพ้นจากวัฏะได้เสร็จสิ้นแลเพราะพระองค์เป็นผู้มีดวงตาเพราะเราอ่านในมหาปรินิพานสูตรจะใช้คําว่าพระผู้มีจักสุในโลกปรินิพานเร็วนัก นพระผู้มีดวงตาคือคนมีตาว่างั้นเถอะคนมีตาโดยเฉพาะตาปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่มีตาเนื้อเนี่ยนะมีตาปัญญาแต่ก็มีตาเนื้อด้วยนั่นแหละแต่หมายถึงมันเน้นพิเศษคือมีตาปัญญาถ้าตาเนื้อเราก็มีเนี่ยนะแต่ว่ามันอย่างว่านั้นประกวดอะไรก็ไม่ได้นะไปไปหาหมอตาก็ต้องรอคิวนั้นเถอะไปซ่อมบำรุงอย่างเดียวเนี่ยนะก็มีอยู่เท่านี้มีไว้ซ่อมบำรุงดูแลถ้าจะมดีมีค่ามั่งก็ไว้อ่านพระไตรปิฎกนั่นแหละส่วนที่เหลือก็ไว้ดูเพื่อสร้างบาปนั่นเอง นี่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราก็มาพยายามทบทวนอยู่เสมอของเราโดยเฉพาะโอกาสท้ายๆของชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะที่ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมเนี่ยมันท้ายชีวิตแล้วก็ท้ายศาสนาด้วยท้ายทั้งชีวิตท้ายทั้งศาสนาเนี่ยนะถ้าใครไปอินเดียเนี่ยก็คงไปเห็นสภาพมาแล้วล่ะไปศรีลังกาก็คงไปเห็นสภาพมาแล้วล่ะหลายประเทศที่เคยมีศาสนาเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ก็ ว่าอันตรธานแล้วบ้านเราเนี่ยแนวโน้มจะเจริญหรือจะเสื่อมเอาเนี่ยนะเอ้าเราก็ศึกษากันทุกวันมันน่าจะเจริญขึ้นใช่ไหมเอาถามใจเราก่อนดีกว่าใจของเรามันจะข้างขึ้นหรือข้างแรมเนี่ยนะถ้ามเอาใจของเราก่อนเนี่ยแหละมันก็บอกได้แล้วว่ามันกําลังจะเจริญเอ๊ะปีนี้กับปีที่แล้วไหนเจริญกับกันอ๋อบอกหมาปีนี้เจริญมากมันเจริญมันมีสองอย่างเจริญแบบหมายว่ามันขึ้นถึงยอดแล้วแปลว่ามันลงแล้วตอนนี้มันแนวโน้มมาต่อไปจะเจริญหรือ จะเสื่อมใจของเราจะเจริญจเจริญเจริญขึ้นไหมเรือ ม, มันกําลังจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเอางี้นะสิบปีข้างหน้าเราจะเจริญกับวันนี้อีกกี่เท่าอะไรจะเจริญ ม, มั่งอายุไม่เอานะถ้าอายุเนี่ยเขาแสดงว่าถ้ า, อ, ายอยู่ได้อีกสิบปีก็แปลว่าอายุยืนแล้วแหละไม่พูดถึงแบบนี้นะ อ, อีกสิปีข้างหน้าอะไรเราจะเจริญขึ้นมั่งศรัทธาเราแบบจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกเท่าไหร่เข้าใจกับวันนี้อย่างน้อยสิบเท่า ไม่ว่าเข้าใจมากเข้าใจน้อย เ, อเข้าใจมากกว่าวันนี้อีกสิบเท่าหรือว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเข้าใจมากกว่านี้อีกร้อเท่าพันเท่าแสนเท่าหรือศรัทธาวันนี้เป็นปริตรบางครั้งเป็นญาณวิปปยุทธ์ต่อไปจะให้มันเป็นยาณสัมปยุทธ์ให้หมดเลยแล้วเพิ่มจากปริมาณสัมปยุทธ์ที่มันเกิดทางห่างให้มันเกิดทีทีขึ้นไอ้ที่ที ท, ทีคุณภาพน้อยมันเพิ่มคุณภาพมากยิ่งขึ้นจนมันเป็นมหคตะเป็นอัปปามานะให้ได้นะ แต่ ว, ว่าเพิ่มให้มันได้ขนาดนั้นก็แปลว่าวิเศษภากยะเจริญอย่างเดียวถ้าตรงกันข้ามล่ะ น, นะอุ้ยปไต่วิโดกอ่านมาแรกตื่นเต้นหน้าดูในะวันที่สองเลยแหมชักวันที่สามวันที่ ส, สี่วันที่ห้าอะไรนะหนักๆเข้าก็อุย้ยอ่านหมดแล้วอ่นะรู้หมดแล้วเหมือนกันนะรับจริงนะบางทีเนะี่ยอากูเวล า, ากุศลมันเกิดเนีนะ่ยนะอุ้ยเล่มนั้นก็รู้แล้วว่าไงเล่มนั้นก็รู้แล้ววันนี้เล่มนี้ก็รู้แล้วอุย้ยไม่รู้จะอ่านอะไรที่ไหนได้นั่นอ่ะอวิชชาทางนั้นแหละทําท่าเหมือนรู้ไปงั้นล มันบางทีเนี่ยเราต้องเพิ่มนะพยายามเพิ่มว่ า, ากุศลธรรมเนี่ยเพยิ่มเจริญแล้วก็งอกงามขึ้นไหมอย่างไรเมื่ อ, อไหร่พยายามทบทวนให้ให้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าถ้ากุศลธรรมไม่เจริญแปลว่าอากุศลมันเจริญแล้วมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยถ้ากุศลไม่เจริญอกุศลมันก็เจริญนั่นแหะมันมีกระดำกระขาวเนี่ยนะถ้าดำเจริญแปลว่าอะไรนะถ้าสว่างมากแปลว่ามืดน้อยถ้ามันมืดน้อยแปลว่าสว่างมาก มืดน้อยก็สว่างมากสว่างมากกับมืดน้อยอันเดียวกันนั่นแหละพูดอีกสามตลบมันก็ได้ค่าเท่าเดิมเอาหมายว่าถ้ามันมืดมากแปลว่ามันสว่างน้อยถ้ามันสว่างน้อยก็แปลว่ามืดมากมันมีมืดกับสว่างมันมีแล้วสลัวสลัวล่ะสลัวสลวแปลว่ามันสว่างไม่มากมืดมากมันก็เลยเรียกว่าสลัวถ้าสว่างมากล่ะมืดน้อยอ่ะก็คิดเอากันแล้วกันนนะ เขาวัดกันที่กำลังบัดแล้วมันมีกี่โวลต์ใช่ไหมไฟมีกี่โวลต์เขาวัดกันตามตรงนั้นแต่ยศาสมัยใหม่เขาวัดได้หมดแล้ว